ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกเพื่อสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นธรรมที่ทรงรูปประจักษภายในพระทยัยเต็มสัตว์เ ต, ตวเต็มส่วนไม่มีอะไรบุกร่องพระองค์จึงแสดงได้อย่างไม่เจทุกต์สตานแสดงได้อย่างองอาจกล้าหารพร้อมด้วยความเมตตาเต็มส่วนที่อยาก ที่จะให้สัตว์อยากให้สัตว์ทั้งหลายได้ยเข้า อ, อกเข้าใจในธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วทุกๆขกั้นทุกตอนท่านท่านถึงเน้นหนักในการปฏิบัติในธรรมสามอย่างนี้แยกกันไม่ออกปริยตัตบอกแล้วว่าให้ทำยังไงปฏิบัติก็ดำเนินตามที่สอนแล้ว ปฏิปฏิเวทหมายผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากปริยัติที่ทรงอย่างทรงที่บอกแล้วในเวลาบวชเกสาลุมานขานตัดแต่โจนนั่นแหละคือบอกแล้วนี่นี่งานนะว่าแล้วสถานที่ทํางานก็บอกอีกที่ไหนที่ทํางานงานอันนี้สะดวกที่สุดคือที่ไหนอันดับหนึ่งก็ลุกข้อมูลนะล้มไม้ อันดับต่อไปต่อไปข้ากนก็ บ, บอกไปเรื่อยๆน้นอาจารว่าอติเลกัอติเลกัลาโอิเลกัลโคสิ่งเดียอเผือรุ่นลคก็ืออะไรว่าไปอันดับหนึ่งก็คือตรงนี้สิ่งโน่นนี้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ผลเป็นที่พอกระถ่ามาแล้วยิ่งไม่ได้สอนแบบสุมสีุ่มห้า เราผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรทำแบบสุมสีุ่มห้าโดยไมยพ่พิจิตพิจารณาใส่องตามร่องรอยที่สงสั่งสอนไว้ธรรมะเราจะไปพูดถึงเรื่องว่าสมัยนั่นสมัยนี้มันก็เหมือนกันกับกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่มีสมัยใดละกิเลสต้องเป็นกิเลสบันยงคําให้ถือเอาจุดนี้ธรรมะเพื่อแก้กิเลสถ้านามาแก้ ให้ถูกต้องก็แก้ได้วันยังค่าเส้นเดียวกันแต่ส่วนมากเรามักแต่จะไม่ทันคนมายาของยิเรศและไม่ทันไม่ใช่มกักไม่ทันมันไม่ทันน่นแหละมากกว่าอะไรละรถ้าเป็นผลลบแล้วมันจะเชื่อได้ง่ายเชื่อได้ง่ายจะเป็นผลบวกเชื่อได้ยากนี่ผลลบคือเรื่องของยิเลสมันต่อยเอาาพเนี่ยหลุดลอยไปเลยถ้าเป็นเรื่องของธรรมนี่เกาะไม่ติด นี่แหละมันยากเล่ตรงนี้ในเบื้องต้นที่มันเกาะยังไม่ติดนี่ต้องในใช้ความ เ, เป็นปริรญาใช้ความพยายามการพุทโนผลตนก็ต้องในสังเกตยอย่างที่ท่านพูดในสัพไพระนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สัพไพระเพื่อถากเพื่อขันหลักใหญ่คือสัปไพระเพื่อกิตตภาวนาสัพไพระคืออะไรบ้างอาหารแสัพปาระนะั่น พระ อ, องค์ทรงเหลือเฟือที่ไหนหรื่เป็นกษัตริย์สเสด็จออกทรงประหนวดมันก็เหมือนกับเทวดาตกจากสวรรค์ลงแดนนรกนั่นเองจะผิดอะไรไปอแล้วกษัตริย์เสด็จออกทรงประหนวดหาขอทานเขาเสวยนั่นขนาดไหนนั่นแหละสัปปยะพระ อ, องค์ทรงได้ได้จัดสรุปเพราะอาหารเหล่านี้นะ่ะไม่ได้จัดสรุปอาหารในพระรา ช, ชวัง นี่ก็เป็นสัปพายาอันหนึ่งที่เกิดกวรพิณิพิจนานครูวาอาจารย์ทั้งหลายที่พาเราดําเนินอย่างสมัยปยัจจุบันนี้ส่วนมากมักจะเป็นอาหารประเภทเหล่านี้แหละที่สัพพายาสัพพยาคือการภาวนาสะดวกสบายทั้งอยู่ในป่ากนเขาอยู่กับคนป่ากคนเขาเขามีอะไรเขาก็ใส่บาตรให้น้ําพริกอะไรยีพะหาของยีดีบีดีนี้ไม่มีแล้วมีของพอยังประทงัะทงชีวิตประทังชีวิต นั่นแหละความพอประทางชีวิตในร่างกายของเรานั่นแหละแต่มันเป็นสัพเพะะสั้นดอกการภาวนามันดีที่ตรงนี้สบายสบายฉันมันก็ไม่ได้ฉันมากเพราะอาหารก็อย่างว่าจะพอฉันมากอะไรบางทีไม่มีอาหารมีแมีแต่ข้าวเนี่ยจะเอาอะไรมาฉันมากล่ะมันก็กลายมาเป็นสัปเพะะคือการนั่งภาวนาก็ไม่ง้องง้วงคือไม่สะบป่งงอกงอกเงันไม่กวนเรื่องหลับเรื่องนอน นั่งถ้จิตเป็นทางด้านสมาธิก็สงบแน่วถ้าเป็นทางด้านปัญญาก็พิจารณาคล่องตัวนั่นให้เห็นที่สมาธิพระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนที่อยู่ของสมาธิจริงๆที่อยู่ของปัญญาจริงๆที่อยู่ของมรรคผลนิพพานความหลุดพน้นจากกิเลสจริงๆอยู่อยู่ที่ไหนค้นหาให้เจอสิกิเลสมันอยู่ที่ไหนนั่นนี่แหละท่านสอนทุกบททุกบทสอนลงตรงนี้นะให้ค้นให้หาเห็นทําเหล่านี้นะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับทําเหล่านี้สะดวกสําหรับทําเหล่านี้ก็บอกหมดนี่อาหารเป็นความสะดวกสําหรับทําเหล่านี้ก็บอกอาหารสปายะนี่อุตุสปายะเราก็หาอากาศที่พอเหมาะสมกับเราทันหัวอุตุสปายะหินฟ้าอากาศที่เหมาะสมไม่ทึบเช่นอย่างในเขาในถ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ถ้าทึบโล่งอยู่สะดวกสบายเช่นอย่างอพภาศทันว่าอพภาศนั่นคือเป็นความสะดวกสบายมากแล้ว เป็นการตืล่นเวลาเช่นในกลางค่ำามืองคืนพระกรรมาฐานในวงเราทุกวันนี่มันไปหานั่งพอนาอยู่หินดานหินดานเป็นหินดานหรือหินพลานอะไรหรืว่า mm hmm. เหมือนกระดานเนี่ยเล่นไปหานั่งพอนาอยกลางแจ้งเงียบสงบนั่นกลางคืนเงียบเอาที่นี่เสือจะมาทางไหนล่ะก็มันไปอยู่ในดวงของมันเนี่ยนั่นละ่ะเราจะเห็น ความสามารถของเราจะได้เห็นว่าสติปัญญาของเราออกทำงานมันเป็นอย่างไงได้ยินแต่สติปัญญาติปัญญาถ้าไปถูกสถานที่ฉะนั้นครอบงำเข้าไปแล้วไม่ต้องบอกสติปัญญาจะมามาเองเพื่อการแก้ไขเหตุการณ์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นนั่นฟังจริงอินเมื่อมีผู้รักษาสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วทำไมจะไม่สงบทำไมจะแสดงไม่แสดงความแปลกประลาดอัศจันทร์เห็น พ ร, ระพุทธเจ้าทรงได้รับความสัจจันร์มาแล้วจากวิธีการของนี้นี่นี่หละเราให้ค้นหาสิสมาธิอยู่ที่ไหนก็ให้ได้จะได้เห็นอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้ให้มันชัดในหัวใจเจ้าของสิปัญญาปัญญาขั้นใดไม่ต้องบอกไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ต้องถามใครละลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเป็นสันติโกสันติโกเลื่อยไปเลยท่านหาความสะดวกสบายสบายให้สบายให้ บุคลาส ป, ปายะเพื่อนฝูงไม่ขัดไม่แย่งกันเรื่องพิธิมรณนะการอุทิ์ปฏิบัติลงรอยกันเพื่ออาจาเพื่อทําด้วยกันอืคําว่าปุคลาส ป, ปายะจะหมายถึงอะไรเป็นส่วนมากก็หมายถึงเพื่อนฝูงที่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันนั่นแหละเป็นสําคัญประชาชนโยมมีเป็นบางการบางเวลาเท่านั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าปุคลาส ป, ปายะคือเพื่อนอันเดียวกันนี่สําคัญมากนะท่านบ้าไว้กี่อย่างละ่ะ อาหาสัพปปยะก็พูดแล้วแต่กินนี้อุตุสัพยะก็พูดแล้วเช่งอาว่าสสัพะยาะที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ท่านก็บอกไว้แล้วลูกขมูลเป็นที่หนึ่งจะนั่งเป็นอันดับสองอันดับสามไปนี่มีแต่คำว่าสัพยะสัพยะคือความสะดวกสบายสําหรับการบำเพ็ญนนะ่ะไม่ใช่สะดวกสบาย ในการหลับการนอนการแบบอยู่แบบโลกโลกเขานี่อยู่เราอยู่แบบธรรมเอียบบททั้งสีเป็นอรียบทของน้า บ, บทแบบธรรมเราจรึงต้องได้อยู่แบบนี้นี่แหละการที่จะมาอยู่แบบนี้มาทําแบบนี้ต้องพิจิตพิจารณาพระาวา่าของพระเจ้าให้ถึงใจนะอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังเฉยนไม่ถึงใจพระเจ้าทรงแสดงแก่โลกแสดงด้วยความถึงพระทัยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆไงพวกเราฟังมันฟังแบบเล่นๆคนหนึ่งพยายามเอาน้ําเทลงใน หม้อ <c oughs> ของเราหม้อน้ําเราความอเอาก้นขึ้นมันเอาอะไรมาเทแต่ไม่ก็ไม่เข้าเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลออกหมดนั่นะหือจะทําอะไรที่ตรงไหนเจะเลยทำพระพุทธเจ้าไปแต่เทมไมันม่ไม่มีอะไรรับมันก็อย่างนั้นแนะ่ะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพากันตั้งอกตั้งใจพระพฤทธปฏิบัติขอให้สังเกตร่องรอยพระองค์ให้ดีนะสังเกตร่องรอยพระพุทธเจ้านะั้นะนะ่ะสําคัญร่องรอย ท, ที่ท่านแสดงไว้คืออะไร่ทำทุกบททุกบาทวินัยก็ให้เขารบทํา็ให้เขารบทุกบททุกบา ท, ท, บาทใช้ความทังเกยียรตด้วยดีนั่นแหละเราจะไม่ผิดหวังแหละจะเจอความจริงที่พระุทธเจ้าทรงเจงมาแล้วโดยไม่ต้องสงสัย ว, วันนี้ขอแสดงเพียงเท่านี้นะละขอความสวัสดีจงมีเกียรติท่านตลอดทุกๆองค์อ่านะเอาทีีกัน